วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2562เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้มุ่งไปสู่วัดวาอารามต่างๆเพื่อไปขอพร อ, อันประเสรฐ จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เป็นเิริมมงคลแก่ชีวิตเพื่อให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ปราศจากภัยอันตรายต่างๆพรอนันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไร พนอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้ได้ทรงตัดสรุพระธรรมอันวิเศษที่เปรียบเหมือนแสงสว่างที่จะนำทางพาชีวิตของสัตว์โลกทั้งปวง ให้ได้ไปสู่ที่สุขที่เจริญที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากภัยอันตรายต่างๆการขอพอรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการฟังเทศฟังธรรมนี่เองการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จะด้วยการฟังสดอย่างที่กำลังฟังขณะนี้หรือจะอ่านหนังสือธรรมะต่างๆที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพิฎกก็ดีหรือหนังสือธรรมะของพระสุปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการ ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการรับพรอันประเสริฐจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าได้ศึกษาแล้วก็จะได้รู้ว่าความสุขความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าเราปฏิบัติ ตามวิธีเหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้รับความสุขความเจริญได้รับพรอันประเสริฐจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความสุขความเจริญนี้มีอยู่สองแบบด้วยกัน ความสุขความจเจริญแบบชั่วคราวและความสุขความจเจริญแบบถาวรชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่ส่วนชั่วคราวและส่วนที่ถาวรส่วนชั่วคราวก็คือร่างกายของพวกเรา ส่วนที่ถาวรก็คือจิตใจของพวกเราร่างกายของพวกเราเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดแต่ใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายดังนั้นความสุขความเจริญที่ถาวรจึงอยู่ที่ใจ ส่วนความสุขความเจริญชั่วคราวอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ร่างกายหามาได้สิ่งต่างๆที่เราหามาได้โดยทางร่างกายเช่นลาบยศสรรเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขความเจริญชั่วคราวมีวันที่จะต้องสิ้นสุดลง มีวันที่จะต้องหมดไปก็หมดได้สองแบบด้วยกันหมดตอนที่ยังไม่ตายหรือหมดที่ตอนที่ตายนี่คือความสุขความเจริญแบบชั่วคราวความสุขในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะความสุขแบบชั่วคราวนี้พระพุทธเจ้า ส่งสอนว่าไม่ควรที่จะปราทถนากันเพราะว่าจะต้องพบกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเมื่อความสุขความเจริญทางลาบยศเสรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะมีอนสิ้นสุดลงไปส่งสอนให้มาหาความสุขความเจริญทางจิตใจ ที่จะไม่ได้สิ้นสุดลงไปกับความตายของร่างกายจิตใจนี้สามารถเอาความสุขความเจริญที่ได้สร้างขึ้นในจิตใจติดตัวไปด้วยได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความสุขความเจริญทางร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วไม่มีใครเอาไปได้ ต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนต่อให้เก่งกาฉลาดขนาดไหนได้รับรางวัลเหรียญทองคำชนิดต่างๆมากมายและความสุขต่างๆที่ได้ผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายพอเวลาที่ร่างกายตายไปไม่มีใครเอาไปได้เลย เงินทองร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเอาไปไม่ได้ตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เหรียญรางวัลต่างๆลูกโลทองคำตุ๊กตาทองคำอะไรต่างๆ เดีวนี้เอาไปไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเอาติดตัวไปไม่ได้เลยนี่คือความสุขความเจริญแบบชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์เมื่อต้องถึงเวลาที่จะต้องพัดพากจากกันไปความสุขความเจริญแบบนี้ทางพระพุทธศาสนา ทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งสอนให้พวกเราปรารถนากันพระพุทธเจ้าเองก็เคยมีการพยากรณ์ทานายอนาคตของพระองค์ตอนที่ทรงประสูติมาใหม่ๆตอนที่ประสูติออกมาใหม่ๆพระเจ้าแผ่นดินคือพระราชบิดาก็ทรงเรียกบรรดาโหราจานทั้งหลาย มาทำนายดูอนาคตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะว่าต่อไปจะได้เป็นอะไรก็มีการทำนายอยู่สองลักษณะด้วยกันว่าถ้าอยู่ในทางโลกก็จะได้เป็นพ้ามหาจากักรพรรดิ <c oughs> ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมบราศาสดาของโลกมีโหราจารย์อยู่รูปหนึ่ง ที่ส่งพยากรณ์ว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องออกบวชและบรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของโลกนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าสามารถเลือกได้ในตอนที่ยังไม่ได้ออกบวชแล้วเนื่องจากความฉลาดของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสามารถเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสุขความเจริญทางโลกทางร่างกายถึงแม้ว่าจะได้เป็นถึงพระมหาจากักรพรรดิก็ตามแต่ในที่สุดเมื่อเวลาที่ร่างกายต้องแก่เจ็บตายไปความเป็นพระมหาจากักรพรรดิก็สิ้นสุดลงแต่การที่ได้เป็นพระบร ม, มศาสดา เป็นพระอรหันต์ธรมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเป็นที่จิตใจจิตใจที่ไม่มีวันตายจะเป็นแม้กระทั่งเวลาที่ไม่มีร่างกายพระองค์จึงทรงเลือกทางของนักบวชทรงออกบวชทรงแสวงหาความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ แล้วก็สรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งปวงที่ไม่รู้จากแยกแยะความสุขความเจริญสองรูปแบบนี้หรือไม่รู้จากความสุขความเจริญทางด้านจิตใจรู้จักเพียงแต่ความสุขความเจริญทางร่างกายเท่านั้นเนื่องจากว่าจิตใจ ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายนั่นเองไม่สามารถมองเห็นได้ว่าจิตใจนี้เป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนเออพราะว่าไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เราสามารถสัมผัสเห็นได้ด้วยตาของเราเราเห็นว่าร่างกายนี้ ถ้าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะได้รับความสุขถ้าได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายก็จะมีความสุขกันเพียงแต่ว่าการดูของพวกเราผ่านทางร่างกายนี้เราดูเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเราดูในส่วนที่เจริญเราลืมดูในส่วนที่เสื่อม ร่างกายนั้นมีส่วนที่เจริญและมีส่วนที่เสื่อมในเบื้องต้นในครึ่งแรกของชีวิตร่างกายนี้จะอยู่จะมีแต่ความเจริญคลอดออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กเป็นทารกแล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีกำลังวังชามีความสามารถ ที่จะทำอะไรที่จะหาอะไรมาให้กับตนได้อย่างมากมายก็เลยหลงหาความสุขความเจริญทางร่างกายกันแต่ไม่ได้มองถึงครึ่งหลังของชีวิตที่ร่างกายจะต้องชลาภาพลงไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุด อันนี้มองไม่เห็นกันหรือไม่ยอมมองกันและความสุขความเจริญทางจิตใจก็มองไม่เห็นความสุขความเจริญทางจิตใจนี้จะต้องรอให้มีคนที่รู้ที่เห็นอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนมาบอกเท่านั้นถึงจะสามารถรู้ถึงความสุขความเจริญทางด้านจิตใจได้ นี่คือสิ่งที่พวกเราเชาวพุทธเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพื่อได้มาเรียนรู้ว่าความสุขความเจริญที่แท้ จ, จริงนั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนพอเรารู้เพียงแต่ความสุขความเจริญที่ไม่ถาวรรู้จักความสุขความเจริญที่เป็นแบบชั่วคราว ที่จะต้องมีวันเสื่อมหมดไปเมื่อร่างกายสิ้นสุดลงการที่เราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้จักความสุขความเจริญทางจิตใจที่ไม่ได้สิ้นสุดลงไปกับความตายของร่างกายและเป็นความสุขที่จะสามารถ พาให้เราขึ้นไปสู่ความสุขแบบที่ไม่มีวันเสื่อมได้ความสุขความเจริญทางจิตใจนี้แบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกนี้เป็นระดับที่ยังมีโอกาสที่จะเสื่อมได้ส่วนระดับที่สองนี้เป็นความสุขระดับความสุขความเจริญที่ไม่มีวันเสื่อม แบ่งเป็นสองภาคด้วยกันเรียกว่าโลกิยะกับโล ก, กุตระโลกิยะก็คือยังติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่และโล ก, กุตระนี้อยู่นอกโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ความสุขทอยู่ที่จิตใจของพวกเราทุกคน ที่พวกเราสามารถที่จะพัฒนาสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจจากระดับโลกิยะขึ้นไปสู่ระดับโลกุตตะได้ในเบื mm ้อ hmm. งต้นต้องพัฒนาไปในระดับโลกิยะก่อนเมื่อได้ระดับโลกิยะแล้วก็จะสามารถพัฒนาก้าวขึ้นสู่ระดับโลกุตตะต่อไป ความสุขความเจริญของจิตใจระดับโลกิยะนี้ก็ได้แก่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่เองเป็นเทพเป็นพรหมจิตใจของพวกเรานี้เวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจเรานี้จะเรียกว่าดวงวิญญาณจะไม่ได้ตายไปกับร่างกายดวงวิญญาณนี้ถ้าได้รับการพัฒนาก็จะก้า จากระดับดวงวิญญาณของมนุษย์ขึ้นมาสู่ดวงวิญญาณของเทวดาซึ่งมีแบ่งเป็นหลายหลายชั้นด้วยกันแล้วเหนือจากสวรรค์ของชั้นเทวดาก็จะได้อยู่ในสวรรค์ของพรหมสวรรค์ชั้นพรหมที่มีอยู่สองระดับด้วยกัน่ สวรรค์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นเทพหรือสวรรค์ชั้นพรหมเนี้ยังเสื่อมได้สร้างพัฒนาจิตใ จ, จให้เป็นเทพพอบุญหรือเหตุที่พาให้ไปเป็นเทพนั้นหมดกำลังลงก็จะต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <Yeah. S 1> เช่นเดียวกับระดับสวรรค์ชั้นพรหม ได้เป็นพรหมแล้วบุญหรือเหตุที่พาให้ได้ไปเป็นพรหมนั้นก็มีวันที่เสื่อมหมดได้พอบุญที่ส่งให้ไปเป็นพรหมหมดลงดวงวิญญาณก็จะเลื่อนลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็เลื่อนลงมาสู่การเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องกลับมาสร้างมาพัฒนา จิตใจให้กลับขึ้นไปใหม่นี่คือการพัฒนาแบบชั่วคราวจะเกิดขึ้นในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งสอนมาบอกเรื่องการพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับโลกุตตะระระดับที่ไม่เสื่อมระดับที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป ระดับนี้ระดับโลกุตระนี้ต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่ได้ออกบวชแล้วได้บำเพ็ญตบะธรรมจนในที่สุดก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นทางสู่การพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับโลกุตระธรรม ให้สู้ให้ขึ้นสู่ระดับที่จะหลุดออกจากโลกของการเกิดแก่เจ็บตายโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วหลังจากตัดสรู้แล้วก็ต้องนําเอาพระธรรมที่ทรงรู้มาเผยแผ่สั่งสอนถ้าไม่มาเผยแผ่สั่งสอน ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่พอตัดสัตรู้แล้วไม่สั่งสอนใครก็จะเรียกว่าพระปฏิเจกพะพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าที่หลังจากได้ส่งตัดสัตรู้โล ก, กุตระธรรมอันประเสริฐแล้วก็นําเอาโล ก, กุตระธรรมอันประเสริฐนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราถ้ามีการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมก็จะมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นมาคือมีพระพุทธมีพระธรรมและมีพระสงฆ์ในเบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าก่อนแล้วตามมาด้วยพระธรรมคำสั่งคำสอน พอพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ฟังพระธรรมคำสอนน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามพอปฏิบัติได้ก็จะบรรลุโลกุธระธรรมขั้นต่างๆที่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือโสดาบันสกิ ด, ดาคามีอนาคามีอารหันต์พอได้ ตัได้บรรลุถึงโลกุตตระธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็จะเป็นพระอรหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยสงสาวกที่สามารถที่จะเอาโลกุตตระธรรมอันปรเสริฐที่ได้เรียนรู้ที่ได้บรรลุถึงนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้แทนพระพุทธเจ้าได้ พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาครบองค์ก็มีพระพุทธศาสนาที่จะเป็นล่มโพล่มใสให้แก่สัตว์โลกเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่สัตว์โลกที่ยังมืดบอดด้วยโมหะอวิชชาที่ยังไม่เห็นความสุขความเจริญทางจิตใจรู้จักหรือเห็นแต่ความสุขความเจริญทางร่างกายเท่านั้น พอได้ยินได้ฟังโลกุตละธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนการพัฒนาแบบทางร่างกายมาสู่การพัฒนาทางจิตใจได้แล้วก็จะได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย อย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้พวกเราอาจจะไม่รู้ว่าเรานี้ได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างโชคชนภพนี้ชาตินี้ไม่ใช่เป็นเพียงภพแรกหรือภพสุดท้ายของพวกเราภพนี้อาจจะเป็นภพที่หนึ่งล้านละล้านภพหนึ่งล้านคุณด้วยล้านภพเราได้มาเกิดแก่เจ็บตายหนึ่งล้านคุณด้วยหนึ่งล้านครั้งแล้ว น่าจะเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือถ้าเราพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแต่เราไม่ขวนขวายที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าการพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ เหมือนกับคนชาวพุทธในเมืองไทยในประเทศไทยของพวกเรามีชาวพุทธอยู่ถึง90กว่าเปอร์เซนต์ด้วยกันแต่ไม่ทราบว่ามีกี่เปอร์เซนต์ที่ขวนขวายที่จะเข้าศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ถึงแม้จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา แต่ก็เข้าไม่ถึงพระพุทธศาสนาไปวัดก็ไปเพียงแต่ไปขอพรจากพระประธานตามวัดต่างๆไปขอประทานวัดไหนที่มีพระประธานมีชื่อเสียงในช่วงวันปีใหม่นี้จะแน่นมากจะมีคนไปจุดธูปเทียนสามดอกถวายดอกไม้ธูปเทียนถวายเครื่องสักการะบูชาต่างๆ แล้วก็อธิษฐานขอพรต่างๆขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญก้าขั้นปลอดภัยอันนี้จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาเพียงแค่ระดับผิวเท่านั้นระดับเปลือกเท่านั้น <c oughs> เพราะการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปนี้ไม่สามารถให้สิ่งที่เราปรารถนากันได้ สิ่งที่เราปรารถนานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัูงว่าจะได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาพราะธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ต้องน้อมนาเอาไปปฏิบัตเิเมื่อปฏิบัติแบบเต็มที่คือสุปฏิปันโนปฏิบัติแบบไม่หยุดไม่หย่อนแบบไม่ถอยวันใดวันหนึ่งในภพนี้ชาตินี้ ก็จะสามารถเข้าถึงความสุขความเจริญในระดับโล ก, กุตละธรรมได้อันนี้แหละคือการรับพรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้รับด้วยการไปกราบพระพุทธรูปจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้และสิ่งที่ขอก็เป็นสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทรงสอนไม่ให้ปรารถนากันคือความสุขความเจริญทางโลกหรือทางร่างกายนี้เองที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเวลาที่ต้องสิ้นสุดลงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงควรพยายามหลีกเลี่ยง การหาความความเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายกันว่าไม่ได้เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงนั่นเองจะเรียกว่าเป็นความสุขความเจริญปลอมก็ได้ที่จะต้องทำให้ผู้ที่ได้รับนี้จะต้องเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเวลาที่จะต้องมีวันพัดพากจากกัน ให้มาหาความสุขความเจริญที่แท้จริงคือทางด้านจิตใจให้พัฒนาจิตใจจากระดับของมนุษย์ที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้ให้ขึ้นสู่ระดับของเทพของพรหมของพระอริยบุคคลจะดีกว่าเพราะว่าเป็นการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ถาวรที่ยั่งยืนได้ ในเบื้องต้นก็จะได้การพัฒนาได้ความสุขความเจริญที่ยาวนานกว่าของทางร่างกายร่างกายตายไปแล้วความสุขความเจริญที่อยู่กับจิตใจก็ยังไม่หมดไปทันทีถ้าได้พัฒนาขึ้นสู่ระดับเทพเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าได้พัฒนาจิตใจให้อยู่ในระดับสวรรค์ชั้นพรหม ดวงวิญญาณก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมต่อส่วนความสุขความเจริญทางร่างกายนี้ไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้เหมือนกับความสุขความเจริญทางจิตใจถึงแม้ว่ายังเป็นระดับโลกีย์อยู่ก็ตามแต่ก็เป็นความสุขความเจริญที่ยาวนานกว่าความสุขความเจริญทางร่างกาย หลายเท่าด้วยกันไปอยู่เป็นเทพอีกหลายร้อยปีหรือเป็นหลายพันปีก็ได้เป็นเทพเป็นพรหมไปอีกหลายร้อยหลายพันปีกว่าจะเสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาพัฒนาใหม่ต่อไปพัฒนาให้กลับขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมและถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะสามารถต่อยอดพัฒนาให้ขึ้นสู่ระดับโลกุตระได้ระดับพระอริยบุคคลได้หรือจากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะสามารถพัฒนาขึ้นสู่ระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระาอารหันต์ได้ถ้าได้เข้าสู่ระดับของพระอริยบุคคลแล้ว การจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็นับถอยหลังได้อย่างเมื่อคืนนี้เรานับถอยหลังกันภพชาติของพวกเรานี้เราก็สามารถนับถอยหลังได้ถ้าเราเข้าสู่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปถ้ายังอยู่ในระดับโลกิยะอยู่นี้ยังนับถอยหลังไม่ได้ยังไม่รู้ว่ายังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติ แต่ถ้าเราได้เข้าสู่ระดับของพระอริยะแล้วเราจะเริ่มนับถอยหลังได้ถ้าได้ระดับแรกที่เรียกว่าระดับของพระโสดาบันการที่เราจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในภพของมนุษย์นี้เหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าเราได้ขึ้นไปสู่ระดับที่สองระดับสกิดาคามีการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เหลือเพียงชาติเดียว แล้วถ้าเราขึ้นระดับที่สามได้ระดับอนาคามีเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกต่อไปแต่เรายังจะไปเกิดในพรหมโลกเป็นจุดสุดท้ายของการออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจากสวรรค์ชั้นพรหมโลกเราก็จะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สี่คือระดับของพระอารหรันต์ เมื่อได้ขึ้นสู่ระดับพระอาหารหันต์แล้วเราก็จะเข้าก้าวเข้าสู่พระ น, นิพพานโลกที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราให้ความสนใจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจถ้าเราไม่สนใจเราไปให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทางร่างกาย เราจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆและเวลาตายไปดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์เสียด้ยซ้ำไปเพราะว่าการพัฒนาทางด้านลาบยศสรรเสริญพัฒนาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี่บางทีอาจจะต้องทำด้วยวิธีที่ไม่ชอบที่เรียกว่าวิธีทำบาป ถ้าเราพัฒนาอยากร่ำรวยทางเงินทองเราก็หาเงินหาทองแบบช่อโกงเช่นลักทรัพย์หรือช่อโกงหลอกลวงอันนี้ไม่ได้เป็นการพัฒนาทางจิตใจเป็นการดึงจิตใจให้ลงต่ำตามจากระดับของมนุษย์แต่ความอยากเจริญทางด้านลาบยศสรรเสริญอาจจะทำให้ผู้ที่ ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปไม่รู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้อาจจะไม่มีความาหวาดกลัวหรือมีความยำเกรงกล้าที่จะทำบาปถ้าทำแล้วขอให้ได้ร่ำให้รวยถ้าทำแล้วขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเขายินดีที่จะทำพอทำบาปไปแล้วนี้ถึงแม้ว่าเขาจะร่ำรวยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นใหญ่เป็นโต แต่จิตใจของเขานี้ไม่เป็นใหญ่เป็นโตเหมือนกับร่างกายจิตใจของเขานี้ตกต่ำจากระดับของมนุษย์ไปสู่ระดับของเดรัจฉานของเปรตของนรกโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวเลยอันนี้คือพิษภัยของการไปแสวงหาความสุขทางลาบยศเสริญแสวงหาความเจริญทางลาบยศเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอาจจะทำให้ต้องไปกระทำบาปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเวลาตายไปร่างกายตายไปใจนี้ที่จะเป็นดวงวิญญาณนี้แทนที่จะได้ไปสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้กลับจะต้องไปเกิดในอบายก่อนอบายก็มีอยู่ที่สี่ที่ด้วยกัน ที่มีร่างกายก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานส่วนที่ไม่มีร่างกายก็เรียกว่าเปรตอสูรละกายและนรกนี่คือสภาพของดวงวิญญาณของผู้ที่กระทำบาปในเวลาที่กำลังแสวงหาความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญอย่างที่พวกเราคงจะเห็นกันมีข่าวปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ว่ามีคนนั้นคนนี้ชอบโกงล่ำรวยผิดปกติได้เงินได้ทองมาโดยไม่ชอบได้ตำแหน่งได้ยศได้อะไรมาโดยไม่ชอบด้วยการโกหกหลอกลวงบ้างด้วยการชอบโกงบ้างหรือด้วยการฆ่าฟันผู้อื่นบ้างการกระทาเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเจริญทางด้านลาบยศสรเสศร จเจริญทางความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่ทางจิตใจนี้ไม่ได้จเจริญเลยมีแต่จะถดถอยลงไปต่ำลงไปนี่คือสภาพของจิตใจหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นจิตใจที่จะต้องไปรับผลของการกระทา ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำบาปเพื่อพัฒนาความสุขความเจริญทางลาบยศจลเสรญทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายแล้วเมื่อใช้กรรมในอบายหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่มีใครสั่งใครสอน ก็จะกลับมาพัฒนาแบบเดิมอีกพัฒนาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพัฒนานาบยศจะรเริญสุขแล้วก็ทำบาปเพราะต้องการให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างง่ายดายและรวดเร็วก็จะติดอยู่ในวงจรอุบาทนี้ไปเรื่อยๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทำบาปเพื่อที่จะได้ความสุขความเจริญทาง ราบยศสารเสรินทางตาหูจมูกลิ้นกายพอตายไปก็ต้องกลับไปเกิดในอบายใหม่นี่คือคนที่ไม่ได้รู้จักศาสนาหรือมีศาสนาก็ไม่เข้าหาศาสนาไม่สนใจที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มัวแต่ สนใจแต่ในการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนคนที่ฉลาดคนที่เชื่ อ, อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นบุคคลที่ฉลาดที่นานๆานจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งเป็นบุคคลที่จะสามารถ นำพาจิตใจให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรได้บุคคลเหล่านี้ก็จะมุ่งเข้าหาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสมบเสมอตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้ฟังเทศฟังธรรมกันเยอะ อย่างสม่ำเส ม, สมอจงตัสว่ากาเลนะธรรมะสะธรรมสวะนังเอตัมมังกัละมุมตัมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลตามการตามเวลาก็คือทุกๆกวันพระนี้เองวันพระในสมัยแปลว่าวันธรรมะสวะนะคำว่าธรรมะสวะนะก็คือการฟังธรรม ทำไมถึงต้องฟังธรรมในวันพระกันเพราะในสมัยพุทธกาลนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้เรามีสื่อต่างๆที่เราสามารถเข้าถึงพระธรรมคำสอนได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เรามีมือถือเท่งเปียบเหมือนกับตะเกียงวิเศษเคอยอ่านนิยายตะเกียงวิเศษไหม ใครได้ตะเกียงวิเศษเพียงแต่รูปมันเท่านั้นก็จะมะีตัวออกมาจากตะเกียงแล้วมารับใช้ถามว่าเราต้องการอะไรพอต้องการอะไรเขาก็จะไปหามาให้เราทันทีโทรศัพท์มือถือของเรานี้ยิ่งกว่าตะเกียงวิเศษเดกอยากจะได้อะไรนี่กดปุ๊บเดียวมาแล้วอยากจะรู้อะไรอยากจะเห็นอะไรอยากจะได้ยินอะไร อยากจะเดิ่มอยากจะรับประทานอะไรสามารถใช้ตะเกียงวิเศษนี้ได้โตศัพท์มือถือนี่กดเบอร์ให้มันถูกเบอร์ท่านเองถ้ารู้เบอร์ของร้านอาหารก็กดไปที่ร้านอาหารพอสั่งปุ๊บเดี๋ยวเขาก็เอามาส่งถึงถึงที่เลยอยู่ที่ไหนเขาก็ส่งได้ทันทีเนี่ยพวกเราอยู่ในยุคที่เจริญมากโชคในทางสื่อสารแล้ว เรามีตะเกียงวิเศษเราอยากจะรู้อะไรเราสามารถเรียกมาได้เลยแม้แต่พระธรรมคําสอนของอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกมาดูได้เรียกมาฟังได้แต่ในสมัยพระพุทธกาลไม่มีโทรศัพท์มือถือกันจําเป็นที่จะต้องไปวัดกันถึงจะได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าจะไปได้ก็ต้องไปเฉพาะวันที่หยุดทํางาน ก็หยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันคือวันพระนี้เองพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาคือการฟังธรรมในทุกวันพระนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเมื่อได้มาวัดแล้วก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของโล ก, กุตละธรรมได้ยินได้ฟังเรื่องของการพัฒนาที่ถาวรพัฒนาทางด้านจิตใจเมื่อได้รู้จักวิธี ได้รู้จักว่ามีการพัฒนาที่ถาวรที่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ที่มีแต่ความสุขผู้ที่ยังแสวงหาความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญก็จะได้เปลี่ยนวิธีได้ถ้าเป็นรถไฟก็สับรางได้หรือถ้าเป็นรถยนต์สมัยนี้ก็ปยูวเทินได้ถ้าเราวิ่งไปในทางที่จะ ต้องไปเจอกับความทุกข์ถ้าเรารู้ว่าทางที่เราจะไปตอนนี้ข้างหน้ามีอุบัติเหตุไปแล้วรถจะติดยาวเหยียดหลายชั่วโมงถ้าเรารู้เรื่องหน้าก่อนนี้รับรองได้ว่าไม่มีใครจะไปกันทุกคนจะต้องหาแยกไปกันหาเส้นทางใหม่ไปกันแยกซ้ายบ้างแยกขวาบ้างหรื อ, อยูเทิร์นกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อนก็ได้ ดีกว่าไปติดแกกอยู่กลางถนนเป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้ก็เหมือนกันการที่ได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะทำให้เรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังเดินทางไปไหนกันชีวิตของเรากำลังจะไปในทิศทางไหนกันไปสู่ความสุขความจเจริญที่แท้จริงหรือไปสู่ความสุขความจเจริญที่ชั่วคราวที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดไป ถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องสิ้นสุดลงหมดไปเราไปหามันมาทำไมให้เหนื่อยเป่าๆไปเปล่าๆทู่ปไปหาสิ่งที่มันเราเอาติดตัวไปกับเราได้ไม่ดีกว่าเลยเอาโลกิยะธรรมและโลกุตระธรรมไปถ้าเราก็เข้าไปสู่การพัฒนาทางจิตใจแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะก้าวขึ้นสู่ในระดับโลกุตระธรรมได้ แต่ในเบื้องต้นเราก็ต้องผ่านระดับโลกิยะธรรมก่อนต้องผ่านระดับเทพระดับพรมไปก่อนจึงจะขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้เพราะการพัฒนานี้มันก็เป็นมีความยากง่ายต่างกันนั่นเองระดับเทพนี้มันง่ายกว่าระดับพรมระดับพรมนี้มันง่ายกว่าระดับพระอริยะจา้าจึงจําเป็นที่จะต้องผ่านระดับเทพขึ้นไปก่อน แล้วเข้าไปสู่ระดับพรหมแล้วก็เข้าไปสู่ระดับพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆตามลำดับต่อไปอ น, นี่แหละคือการที่เราเข้าวัดในวันปีใหม่กันมารับพรกันพรของพระพุทธศาสนาก็คือแสงสว่างนำทางนำพาชีวิตให้เราได้ไปพบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงนั่นเอง ถ้าเราไม่เข้าวัดเข้าวาเราจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาทางด้านจิตใจเพราะถ้าไปศึกษาตามสถาบันต่างๆในโลกนี้เขาจะสอนให้เราพัฒนาทางด้านลาบยศจลเสรญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะกันถ้าเราเรียนจบปริญญายิ่งสูงเท่าไหร่โอกาสที่เราจะหาเงิน หารายได้ก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นทางโลกการศึกษาทางโลกจะมุ่งไปที่ความสุขความเจริญทางลาบยศจละเสรินทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพแต่ไม่มีใครสอนเพราะว่าถ้าไปทางนี้แล้วเดี๋ยวในที่สุดก็จะต้องพบกับความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าในที่สุดร่างกายก็จะไม่สามารถ หาความสุขจากลาบยศสระเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรดได้หรือบางครั้งก็อาจจะความสุขความเจริญที่ได้มาอาจจะเสื่อมหมดไปก่อนที่ตายก็ได้นี่คือความรู้ทางโลกที่ไม่มีใครสอนกันสอนเพียงแต่ว่าถ้าเรียนจบปริญญาสูงสูงมีความรู้มากๆ แล้วจะได้าดะลายศเสริญจะได้รูปเสียงกลิ่นรสกันได้เป็นเศรษฐีกันได้เป็นเจ้านายได้เป็นนายกได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นอะไรกันแต่ไม่มีใครสอนว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวนะเป็นความจาเจริญชั่วคราวเดี๋ยวพอไม่เกิดมีอุบัติเหตุอะไรสะดุดขึ้นมาก็อาจจะสูญเสียสิ่งต่างๆที่หามาได้ไป หรือถ้าไม่ได้สูญเสียในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะต้องสูญเสียในที่สุดเวลาที่ตายไปถ้ามีใครสอนมีใครสั่งแบบนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ควรที่จะไปทางนี้กันไปอีกทางดีกว่าจะรู้จักอีกทางหนึ่งก็ต้องมาวัดกันนี้เองนี่แหละคือเป้าหมายของการเข้าวัดในวันขึ้นปีใหม่นี้มารับผ่อน พรของพระพุทธศาสนาก็คือความรู้ความรู้หรือแสงสว่างที่จะชี้ทางไปสู่ที่สุขที่จเจริญที่แท้จริงที่ถาวรและจะไปได้นี้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถาทําให้เราไปได้เราต้องทําตัวของเราเองไปเราต้องเดินทางนี้ไป ไม่มีใครเดินทางนี้ไปให้แทนเราได้ถ้าเราอยากจะไปสู่พระนิพพานไปสู่มรรคผลนิพพานเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนพระองค์ก็สอนเป็นตะเป็นขั้นๆไปตามความยากง่ายตามลำดับไปสอนจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยาก เพราะถ้าสอนใหไปปไปป้ไปปฏิบัติขั้นที่ยากเลยนี้รับรองได้ว่าไม่มีใครจะปฏิบัติได้แล้วก็จะไม่ปฏิบัติกันแต่ถ้าสอนให้ปฏิบัติจากขั้นที่ง่ายแล้วก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากตามลำดับก็จะสามารถก้าวขึ้นไปได้ทีละขั้นพระองค์จึงต้องสอนให้พัฒนาให้สร้างความสุขความเจริญในระดับเทพก่อน แล้วก็ให้ขึ้นไปสู่ระดับพรหมแล้วจากระดับพรหมก็ให้ขึ้นสู่ไประดับของพระอริยเจ้าการพัฒนาการสร้างความสุขความเจริญระดับเทพให้ทาอย่างไรก็หนึ่งให้รักษาศีลห้าให้มั่นคงพยายามทำบาปให้น้อยที่สุดถ้ายังไม่สามารถที่จะรักษาให้บริสุทธิ์ได้ต้องรักษาศีลห้าแล้วก็ต้องหมั่นทาบุญให้มากๆ พยายามให้บุญนี่มากกว่าบาปถ้าบุญมากกว่าบาปแล้วเวลาร่างกายตายไปบุญที่มีมากกว่าบาปจะดึงใจให้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพได้แต่ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาตายไปบาปที่มีกําลังมากกว่าบุญจะดึงให้ไปสู่อบายแทนดังนั้นถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นเทพเราต้องพยายามทำบุญ ให้มากๆแล้วทำบาปให้น้อยที่สุดหรือไม่ทำเลยยิ่งปลอดภัยถ้าไม่ทำบาปได้เลยนี่จะปลอดภัยตายไปนี้รับประกันไปสวรรค์ทันทีไปเป็นเทพได้ทันทีถ้าทำบุญตามกำลังอยู่อย่างสม่ำเสมอมีมากมีน้อยก็ฝึกทำไปอย่ารอนานนา น, น, านทำทีเพราะถ้าอย่านานนานทำทีมันจะยากมันจะเสียดายเงินเพราะ นานๆทาทีก็จะต้องทำมากหน่อยแต่ถ้าทำบ่อยๆทำทุกวันทำทีละ น, น้อยมันสะสมแล้วมันจะมากกว่านานๆทำทีหนึ่งแล้วมันจะทำได้ง่ายกว่าเช่นพ ร, ระพุทธเจ้าสอนให้ถ้ามีพระมาผ่านทางบ้านก็ให้สายบาทกันสายบาทนี้ได้ประโยชน์หลายไปทางทางพระก็ได้ประโยชน์ทางโยมก็ได้ประโยชน์ผู้ให้ก็ได้ประโยชน์ได้สะสมบุญ ทางพระก็ได้อาหารเพื่อที่จะได้มาเลี้ยงร่างกายเพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้มาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเพื่อที่จะได้มาเป็นที่พึ่งของศรัทธาญาติโยมต่อไปอันนี้เป็นเป็นการสร้างประโยชน์ที่สูงสุดในเรื่องของการทำบุญทำทานนี้ ทำบุญกับพระนี้ดีที่สุดใส่บกใส่บาทสนับสนุนให้พระมีกําลังวังชาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมที่จะบรรลุธรรมพอได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้มาเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐให้แก่ศัทธาญาติโยมที่ยังไม่รู้ต่อไปการทำบุญทุกวันแบบใส่บาทนี้จึงไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรเพราะไม่ต้องใช ไม่ต้องใช้เงินทองมากมีซื้ออาหารสักชุดหนึ่งใส่บาทไปก็เสร็จละข้าวจานหนึ่งกับข้าวห่อหนึ่งขนมถุงหนึ่งน้ำขวดหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะสะสมบุญไปเรื่อยๆแล้วพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุดธิอย่าทําบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปลด อย่าดิมสรายาเมาและอบายามุขต่างๆเพราะอบายามุขนี้จะเป็นตัวที่จะกดดันให้เราไปทําบาปต่อไปอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวแต่อย่าคบคนชอบอบายามุขเป็นเป็นมิตรอย่ามีความเกลียดคา้านนี่คือวิธีป้องกันไม่ให้กระทําบาปถ้าไปเสพอบายามุขแล้วโอกาสที่จะทําบาปนี้มันมี ง่ายขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เสพอบายามุขนี้โอกาสจะทำบาปนี้มีน้อยจะทำได้ยากขึ้นนี่คือขั้นที่หนึ่งของการพัฒนาหรือสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานกันในปีนี้ในวันนี้การตั้งจิตอธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นแปลว่าขอนะ กำว่าจิตอธิษฐานตามหลักคำสอนของพระพุทธเจา้านี้แปลว่าให้เราตั้งเป้าของการกระทาของเราว่าปีนี้เราจะทำอะไรดีถ้าเราอยากจะไปเป็นเทวดากันขอให้เราตั้งเป้าว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปจะพยายามทาให้น้อยที่สุดหรือถ้าไม่ทำได้ด้ยยิ่งดีแล้วก็ขอให้เราพยายามทำบุญอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ พยายามทาบัญชีบุญให้มันมีมากกว่าบัญชีบาปก็แล้วกันแล้วถ้าตายไปรับประกันได้ว่าจะไปสุคติได้จะไปเกิดเป็นเทวดาได้อันนี้คือขั้นที่หนึ่งจะทำได้เราต้อ ง, ง, ต ง, ต ง, ตงตั้งเป้าไว้ก่อนเหมือนปีใหม่ทุกคนเรานี่มักจะมาตั้งจิตตั้งก็เรียกว่าตั้งตั้งสัจจะกันว่าปีนี้จะเลิกกินเหล้าน ะ, อ, ะอันนี้ จะไม่ทำบาปนะจะมันทำบุญอยู่เรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าเป็นการตั้งเป้าภาษาธรรมเราเรียกว่าอธิษฐานแต่เราใช้คำว่าอธิษฐานไปในทางที่ไม่ถูกความหมายเราไปใช้คาอธิษฐานว่าเป็นการขอขอให้ได้สวรรค์ขอให้ได้นิพพานขอให้ได้ความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมขอไปจนวันตายก็ไม่มีวันได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดจากการขอมันเกิดจากการกระทำํำตายไปอยากจะไปสู่สุคติต้องทําบุญและไม่ทําบาปะงั้นวันปีใหม่จึะเป็นวันดีที่พวกเราจะได้มาตั้งเป้ากันของชีวิตของพวกเราว่าเราจะทําอะไรกันถ้าเราอยากจะไประดับสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องรักษาศี่ห้าแล้วก็หมั่นทําบุญ อย่างสม่ำเสมอแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงขั้นที่สองคือไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมอันนี้เราก็ต้องเพิ่มจากการรักษาศีลห้ามารักษาศีลแปดกันแล้วก็มาฝึกหัดนั่งทำสมาธิกันทำใจให้สงบการกระทำนี้อาจจะยากกว่าขั้นที่หนึ่งเพราะว่าจะต้องใช้เวลาต้องมีเวลาว่าง ถ้าต้องไปทำงานทำการนี้จะไม่สามารถมารักษาศีลแปดมานั่งสมาธิได้เราเลยต้องมาหัดทำในวันที่เราว่างเช่นวันหยุดทำงานวันหยุดทำงานแทนที่เราจะไปเที่ยวกันไปชอปปิ้งกันไปดูมอหรลสบบันเทิงอะไรต่างๆกันเราลองไปอยู่วัดสักวันหนึ่งเดีอวแล้วเปลี่ยนจากศีลห้ามารักษาศีลแป ถ้าอยู่วัดแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกนั่งสมาธิเราจะมีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยบอกวิธีนั่งสมาธิให้กับเราในเบื้องต้นเราต้องหัดทําอย่างนี้ก่อนทำอาที่ละหนึ่งครั้งก่อนทําในวันหยุดในวันว่างเพราะเวลาวันทํางานนี้เราจะไม่สามารถมาถือศีลแปดได้ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิได้ะ ต้องรอให้มีวันหยุดพอมีวันหยุดก็อย่าไปเที่ยวกันอย่าไปเล่นกันอย่าไปหาบันเทิงมหรศศพกันให้เราไปวัดกันเพื่อมาพัฒนามาสร้างความสุขความเจริญระดับที่สองคือระดับของพรหมมโลกจิตใจจะเข้าสู่ระดับพรหมโลกได้จิตใจต้องเข้าฌานได้ต้องเข้าฌานระดับต่างๆ มีฌานอยู่แปดขั้นโดยการรูปฌปานสีอารูปฌปานสีต้องพยายามฝึกจิตให้สงบในระดับฌานต่างๆถ้าเข้าสู่ฌานระดับที่หนึ่งได้ก็จะเข้าสู่สวรรค์พรมโลกขั้นที่หนึ่งได้ได้ฌานขั้นที่สองก็จะได้พรมโลกชั้นที่สองได้ไปเรื่อยๆถึงชั้นที่แปดอันนี้เกิดจากการที่เราฝึกสมาธิ ซื้อสินแปดกันเออในเบื้องต้นอาจจะลองอาทิตย์ละวันก่อนพอเราได้ทําแล้วรู้สึกว่ามีความสุขสบายใจดีเราก็อาจจะอยากจะทําเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะหาเวลาว่างให้มากขึ้นอาจจะลดการทํางานให้น้อยลงอถ้าเราเริ่มได้รับความสุขทางจิตใจแล้วความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายมันจะน้อยลงไปะ การที่จะต้องใช้เงินทองก็จะน้อยลงไปการที่จะต้องหาเงินทองก็น้อยลงไปเวลาก็จะมีว่างมากขึ้นเราก็จะสามารถเข้าวัดได้บ่อยขึ้นตอนต้นก็เข้าอาทิตย์ละวันต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันต่อไปก็สี่วันห้าวันแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆอาจจะไปอยู่วัดได้อย่างถาวรน่อยไปบวชได้เล่อย อันนี้ถ้าไปบวชแล้วเนี่ยโอกาสที่ได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกนี้มันจะมีมากขึ้นกว่าขณะที่เรายังไม่ได้บวชเพราะการกระทามีมากขึ้นนั่นเองยิ่งทำมากมันก็ต้องได้มากนั่นเองดังนั้นพอเราได้บวชแล้วถ้าเรายังฝึกสมาธินั่งสมาธิเจริญสติอยู่เดี๋ยวเดีย ว, ยวไม่นานเราจะได้ฌานขั้นต่างๆอย่างแน่นอน แล้วเราก็จะได้เข้าสู่ระดับพรมโลกแล้วจากนั้นถ้าเราอยากจะก้าวขึ้นสู่ระดับโลกุตตะระระดับพระอริยบุคคลเราก็จะสามารถขึ้นต่อไปได้เพียงแต่เราต้องเพิ่มการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าขั้นปัญญาเราต้องมาเรียนรู้ว่าปัญญาคืออะไรอะไรคือปัญญาที่จะทำให้จิตใจของพวกเรานั้นก้าวเข้าสู่ขั้นโลกุตตะระทได้ ให้เรายุติการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ก็ปัญญาก็คือการเห็นตายรักเห็นอริยาาสัจสี่นี่เองเห็นตายรักก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนี้มันเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสารเสญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะชนิดต่าง ที่เราแสวงหากันที่ให้ความสุขกับพวกเราทุกวันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเวลามันหมดไปนี่มันทำให้เราเศร้าใจกันทำไมเวลามีแฟนนี่มีความสุขนะพอเลิกกับแฟนแล้วรู้สึกไงเหงาขึ้นมาว้าเหว่ขึ้นมาเวลาได้อะไรมาดีใจได้ยศมาดีใจพอถูกปลดก็เสียใจได้เงินทองมาก็ดีใจ พอใช้หมดก็เสียใจนี่ต้องให้เห็นว่าเป็นไตหลักเห็นว่าลาบยศรเสริญสุขนี่เป็นไตหลักเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาคือเราไปควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เมื่อเมื่อใช้มันไปมันก็ต้องหมดสิมีเงินทองถ้าอยากจะให้มันอยู่เป็นของเราก็ต้องไม่ใช้มันแต่ถ้าไม่ใช้มันแล้วมีเงินทองไว้ทาไม เงินทองก็เพิ่มมีไว้ใช้พอใช้มันก็ต้องหมดพอมันหมดมันก็ทำให้เราทุกข์ น, น, นี่คือการเห็นตายรักให้เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ลาบยศสารเสรญให้ความสุขต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่เสื่อมไม่หมดไปให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่มันเป็นไปไม่ได้พอไ ป, ไปเป็นไปไม่ได้มันก็เลยทำให้ใจเราทุกข์กัน นี่คือการเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักถ้าเราเห็นอริยสี่สัจสีเห็นตายักเรียกว่าเรามีปัญญาเพราะเมื่อเราเห็นแล้วมันเป็นทุกข์เราก็จะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้การหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดไปนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้ใจเรากายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ขึ้นมา พออะไรพอเรามีความอยากในใจพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญามันหยุดมันใช้ไตรักใช้อริยสัจ ส, สี่มาสอนใจพอใจเห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยาบไปทําตามความอยากใจก็หยุดความอยากไม่ทําตามความอยากความอยากก็จะหายไปตามลําดับจนหายไปหมดจากจิตจากใจนพอหายไปหมดจากจิตจากใจใจก็จะเป็น พระอริยบุคคลขั้นที่สี่ขึ้นมาคือเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทันทีสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่มีความอยากที่เป็นตัวจะคอยดึงจิตใจให้กลับไปเกิดใหม่นั่นเองไม่มีความอยากได้ลาบยศเสริญสุขไม่มีความอยากได้ร่างกายที่จะเป็นเครื่องมือในการใช้หาความสุขต่างๆก็จะไม่มีการเกิดอีกต่อไป ใจที่ไม่ได้เกิดก็ไม่ได้หายไปไหนก็เหมือนกับใจที่มาเกิดต่างกันตรงที่ใจที่มาเกิดนี้ต้องมาแบกความทุกข์ของร่างกายใจที่ไม่ได้มาเกิดก็ไม่มีอะไรจะแบกบอยู่แบบไม่มีอะไรจะแบกบอยู่แบบไม่มีความทุกข์ไปตลอดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่พวกเรายึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง ถ้าเราเข้าหาคำสั่งคำสอนท่านก็จะสอนให้เราพัฒนาจิตใจของเราสร้างความสุขความเจริญจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับของพระอาหารหันต์เข้าสู่ระดับพระนิพพานนั่นเองนี่แหละคือความสุขความเจริญที่แท้จริงที่พวกเราควรจะปรารถนากันควรที่จะอธิษฐานตั้งจิตให้เข้าไปสู่ถึงความสุขความเจริญของจิตใจให้ได้ ด้วยด้วยการมาวัดในวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเรารู้ว่าเราต้องการเราควรจะปรารถนาอะไรเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราควรปรารถนาคือความสุขความเจริญของจิตใจเราก็ต้องมาตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะสร้างบุญสร้างกุศลจะทจะําบาุญจะละบาปจะรักษาศีลจะปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิจะเจริญปัญญา ถ้าเราทําตามที่เราได้ตั้งสัจจะไว้แล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าสู่ความสุขความเจริญที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงอย่างแน่นอนจึงขอฝากพรนันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สอนให้พวกเรามาสร้างความสุขสร้างความเจริญกันนี้ให้ท่านได้นําเมาไปพินิษฐ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ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 สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติอระโสยทาสพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคายุโกภวะ อพิวาทานสีลิตสนิจังวุธาปจายโนยตารุธรรมวัฏฐานติอายุวโนโสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามขอเชิญถามได้ขึ้นมา ถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลามีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะขึ้นมาเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา356 YouTube 234วิทยุออนไลน์28ผู้รับฟังข้างบนนี้253คนรวมทั้งหมด ปดร้อยเจ็ดสิบอ็ดครับอ๋อวันนี้ยอดสูงสุดเลยไม่ไกลเกินถึงแปดร้อยธรรมดาหกร้อยถ้ามากๆก็เจ็ดร้อยกว่าวันนี้แปดร้อยตอนเช้าคนใส่บาทเก้าร้อยยี่สิแต่สามเจ็ดสิบะเก้าร้อยเจ็ดสิบเมื่อวานนี้หกร้อยหนึ่งเมื่อวานซืนหกร้อยยี่สิบเก้าโอ้เหนื่อย ใครอยากจะถามคำถามยังไม่มีก้าวทางอา่อาจนเลยพูดกล้กายปากเลยอากาศอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์พูดเป็นอ่าเน็ตเวิร์กของแมงใหญ่แมงมุมเส่งย้อนกลับมาแล้วก็เข้าสู่ตัวกลางที่เราอยากได้ก็คือตัวที่จะทำให้เราแยกกันระหว่างกายกับใจให้แยกกันโดยสิ้นเชิง ลำุ้บไปหาทางใจตลอดเวลาที่อยู่กับใจที่แข่งพระอาจารย์ได้สอนถึงเรื่องอริยสัจสอนถึงเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสอนถึงเรื่องหลายหลายอย่างซึ่งอาตัวกูเองก็เข้าใจหลายอย่างเพียงแต่ว่าตัวของอุตตริมนุษยธรรมกับโลกุตละซึ่งตอนเรียนตอนบวชปราชิกสี่ว่าด้วยเรื่องเศษเมตุนลัก์ของเขาพูดอวดอุตริมนุษยธรรมแล้วก็ ฆ่าสัตว์มนุษย์ตอนนั้นยังงงๆเรื่องอุตริมนุษยธรรมกับโลกุตละเป็นอันเดียวกันห้ามพูดห้ามเอ่ยเอ่ยพั๊บเป็นประราชิกใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อไม่ใช่ครับความหมายคืออวดคนวิเศษที่ไม่มีในตนเช่นเราไม่มีเงินแล้วไปบอกชาวบ้านว่าเรารวยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีเราไม่ได้เป็นโสดาบัลแล้วเราไปบอกเขาว่าเราเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยถึงจะเป็นประราชิก ถ้าเป็นโสดาบันแล้วพูดว่าเป็นโสดาบันไม่เป็นปราชิกเี่ยถ้าเป็นความจริงแล้วอุตริหมายถึงหลอกลวงหลอกลวงโลกยไม่จริงใช่ั้ยครับพูดความไม่จริงพูดเท็จโดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมอันวิเศษอตอนนั้นปราชิกสี่เก่าอยู่แล้วสังฆาทิเศษถุดละใจทราบดีตอนฟังที่วัดเวลาพระสิบห้าค่ก็จะฟังที่ที่วัดเป็น สวดทุกทุกวันพระใหญ่ใช่ไหมครับใช่ทุกสิบห้าวันครับคราวนีอ้อาริยะบุคคลที่อาจารย์บอกปัจเจกคือไม่สอนเนี่ยจริงๆแล้วทําไมถึงไม่สอนครับอาจารย์ก็อาจะเห็นว่าคนไม่มีใครสนใจจะฟังก็เลยไม่สอนลองไปแถวพัทยาใต้ดูเดี๋ยวนะลองไปสอนแถวนั้นดูไม่มีใครสนใจ เนี่ยท่านอาจจะมาเป็นเป็นภาพพุทธเจ้าในอยู่ในอยู่ในยุค ข, ของพวกคนทําบาปทั้งหลายก็ได้อยู่ท่ามกลางคนทําบาปครับแต่ท่านก็รู้อยู่ในตัวอยู่ว่ า, าท่านอยู่ตรงไหนใช่ไหมอา่าได้แต่ท่านสอนเขาไม่ได้เพราะรู้ว่าเขาไม่ไม่สนใจเพราะพุทธเจ้าของเราก็ตอนต้นก็ไม่คิดจะสอนเหมือนกันโอเคว่าไม่มีใครอยากจะสาระลาบยศสารเสริญสุขกันสอนไปก็จะเสียเวลาเปล่า ตอนตอนก็อาจก็ไม่อยากจะสอนเหมือนกันแต่อตอนหลังเท้ามาหาพรหมมาขอให้เมตตาให้แยกคนไว้ว่ามีพวกที่สอนได้กับพวกที่สอนไม่ได้ท่านก็เลยแยกคนเป็นสี่บัวสี่เหล่าพวกที่สอนไม่ได้ก็ไม่ไปสอนพวกที่อยู่ใต้น้ำพวกที่จะเป็นคนตมที่อยู่ที่จะเป็นอาหารของปูของปลาพวกนี้ท่านก็ไม่สอนแสดงว่าตอนกลับไปหาปัญจวัคคี อัญญาโกนธรรัญญาตอนนั้นแสดงว่าท่านได้แล้วแล้วกลับไปหาอุปถาของท่านใช่ไหมครับใช่เพราะเห็นว่าเป็นพวกที่สามารถสอนได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเป็นพวกที่พร้อมที่สุดพวกนก็เรียกพวกบัวเหนือน้ําแล้วพวกนี้ก็มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาท่านเองตามพุทธประวัติได้กล่าวไว้ว่าตอนกลับมาปัญจวัคคีย์ได้ร่วมกันไม่ต้อนรับพุทธองค์ หลังจากที่เห็นแล้วก็ต้อนรับไม่ทราบว่าในขณะนี้เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ความาเขาเรียกอะไรปัจจุบันเขาเรียกใสปิ้งคือมีอัล่าขึ้นมาเนี่ยการได้ทำเวลาอายุเยอะๆเวลาบวชเป็นพระก็เหมือนคนอายุน้อยๆอันนี้มันเกี่ยวกับอัล่าที่ส่องออกมาไหมครับอาจารย์คือัศมีแห่งความความงามครับอาจารย์อ๋อมันอยู่ในจิตใจไง จิตใจมีธรรมมันจะแสดงออกมาโงเฮงมันจะต่างกันโงเฮงต่างกันใช่ไหมครับใช่โงเฮงนี่แหละคือจิตใจเรียกวรัศมีนี่ตอนที่ผมบวชอยู่แล้วเรียนตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กก็ตอนนั้นยี่สิบแล้วหลังจะอีกสามสิบปีก็ไม่ได้เคยสนใจเลยเพราะของที่จับต้องไม่ได้ก็ไม่น่าสนใจเช่น เวลาที่เรามองเรารู้ว่ามีจริงเปรี้ยวมีจริงหวานมีจริงขมมีจริงแต่มันจับต้องไม่ได้ชั่วก็มีจริงแต่มันยังไม่ส่งผลทําไปเลยช่างมันเป็นไรแล้วท้ายที่สุดมันก็ส่งแบบที่อาจารย์บอกว่าท้ายที่สุดก็เข้าคุกเข้าตารางคราวนี้ของอนัตตาที่มองไม่เห็นที่มองแล้วไม่มีจริงแต่จริงๆมันมีจริงเนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบกับจิตว่าตอนเนี้จิตเรามีจริงๆคราวนี้คนอาจจะไม่เชื่อว่าพอตายแล้วอาจจะ สลายไปเลยแต่ตอนนี้ผมเชื่ออยู่ว่าจิตมีจริงแล้วไม่สูนหายไปกับเพียนว่า้ตายเกิดนะครับก็ก็เรียนถามอาจารย์อันนี้ฟังอาจารย์เข้าใจอยู่แต่ว่าการที่จะข้ามไปเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าโลกิยะพรมเทพเทวดาแล้วพอไปถึงตรงนั้นมันยังกลับมากลับมาเป็นโลกปัจจุบันได้อีกถ้าเราทาไม่ดีกลับมาเลยใช่หครับ คือมันพร้อมบุญที่ส่งไปมันหมดกําลังมันก็ต้องลงมาเกิดเพราะว่าตัวที่ฉุดให้เรากลับมาเกิดยังไม่ได้ถูกทําลายคือกิเลสตัณหาโอ้ยังอยู่ต้อ ง, งใช้ต้องใช้ปัญญาถึงจะทําลายมันได้โอตอนนั้นที่ฟังมหาบวัวเขาถึงบอกตอนเขาลบกับกิเลสแล้ววันที่ชนะลงวันเดือนปีไว้แล้วท่านให้เทศให้ฟังวันนั้นฟังที่บ้านตากออันนั้นคือลบกับกิเลสคือกิเลสตายหมดแล้วนะ่ยวันนั้นะอวิชชา ถูกทำลายตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คืออวิชชาเนี่ยอวิชชาปัจจะยาสังขาราอย่างนั้นเวลาที่เราถือศินห้าเราก็ข้ามมาแค่เทพแค่พรมแล้วเราจะต่อไปอริยะเราก็ต้องโอ้โหสารพัดก็ไม่สารพัดเพียงแต่เพิ่มปัญญาเท่านั้นเองขั้นพรมเราก็ต้องมีศินแปดมีสมาธิถึงจะเข้าขั้นพรมได้ถ้าขั้นเทศก็แค่ทําบุญทําทานรักษาศีลห้า ตอนเราสละทานเราได้อา น, นิสงส์แบบหนึ่งพอเราทำธรรมทานเราได้อา น, นิสงส์แบบหนึ่งตอนสอนหนังสือเป็นวิชาเป็นวิทยาทานทาก็อันดับสุดท้ายทุกวันนี้กูก็ได้อภัยาทานไม่สามารถจะโกรธใครใครจะเอาใครจะขี้โกงต่อหน้ารับหลังอยากได้เชิญคราวนี้เรามาจอดอยู่ที่อภัยาทานแล้วเนี่ยแต่ใจเราก็ยังลุกลิกลุกลึกอยู่เนี่ย ตอนทาผมเนี่ยบางทียังตัดตันนิ้วเมื่อสี่ปีที่แล้วไม่เคยโดนเมืม่อเมื่อต้นปีนี้งับดนนิ้วเพราะว่าหัวใจไปเที่ยวข้างนอกไม่มีสติไหมไม่มีสติอยู่กับงานสติไปคิดถึงคนนั่นคนนี้กันไกรมันก็เลยตัดนิ้วเอาเนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไปไม่น่าจะได้นะอาจารย์เพราะว่ากันไก่มันรัวสนัน่นอยู่บนผมแล้วพอเสร็จปั๊บพองับปั๊บมันก็กลับมาอีกครันี้ ตัวนี้ยเขาเรียกว่าจิตใช่ไหมครับอาจารย์ไม่สติคือจิตเป็นตัวทํางานแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ลอยไปลอยมาตัวตัวที่เป็นแม่ที่อาจารย์อธิบายให้ฟังว่ารถกับคนขับใช่เหมือนกันไหมครับตัวคนขับคือจิตแต่จิตมันมันมีตัวควบคุมจิตอีกชั้นหนึ่งเหมือนคนขับถ้าไม่ถ้ากินเหล้าเมาก็ไม่มีตัวควบคุมไม่มีสติมันก็ขับรถเมาแล้วก็ชนกัน เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ทำผมก็ต้องอาศัยฌานบวกกับปัญญาแล้วก็ทำให้จิตนิ่งแล้วก็จะไม่โดนนิ้วอีกต่อไปก็คือจิตอีกเช่นกันใช่ไหมอาจารย์ใช่จิตต้องมีสติให้แล้เลิกเลิกอยู่กับงานที่เราทำอยู่อย่าไปรู้อย่างอื่นณนะตอนนี้ที่ยืนอยู่ที่อาริยะแต่ละอย่างเราทราบว่าเรามีตาทิพมีหูทิพเราสามารถจะมองเห็นโดยที่ไม่ต้องไปกระทาเองเช่น เรารู้ว่าการกระทำแบบนี้ไม่ดีให้เอาจากสูตรทิพมองแล้วตอนเนี้โกร่มาถึงอภิญท า, านแล้วอยากเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงโกะจะต้องดำเนินยังไงต่อครับอาจารย์ก็ต้องปล่อยวางร่างกายต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นรถยนต์เราเป็นคนขับเห็นรถยนต์เป็นอะไรคนขับไม่ต้องไปเต่นเต้นตกใจไม่ต้องกลัวแก่ไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวตายเพราะคนขับไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตาย บางทีมันประสานกันอยู่เหมันเหรียญสิบนะจ๊าดแกะกันไม่ออกเราต้องใช้สตินั่งสมาธินี่เข้าฌานมันก็จะแกะกันออกอ๋อพอเข้าฌานได้ก็จะแกะออกแกะออกพอแกะออกแล้วจะแยกเห็นเลยใช่ไหมทีนี้พอใช้ปัญญามันก็จะไม่ยึดมันมันก็จะไม่ยึดไม่เกาะติดร่างกายมันจะปล่อยต่างคนต่างอยู่อยู่ด้วยกันได้อยู่แบบคนขับกับรถยนต์ตอนเราสังเกตสัญญาณอิ่ม เมื่อเรามีความกำหนัดอิ่มแล้วเราก็หยุดแล้วเรากำหนัดอีกเราก็หยิบตรงนั้นมากินอีกแล้วกินอิ่มเสร็จกินต่อไปไม่ได้เราก็หยุดหยุดเสร็จแล้วเราก็ทำซ้ำแบบนี้อีกเราเปรียบเทียบการกินกับโลกิยะเรื่องกามเรื่องอะไรได้ไหมครับอาจารย์ได้ก็การกินก็เป็นเรื่องกามอย่างหนึ่งถ้ากินด้วยความอยากถ้ากินแบบกินยาถึงอย่างเรียกว่ากินกินแบบไม่มีความอยาก ถ้ากินเพื่อรสชาติเพื่อความมาเลย์อร่อยยังเรียกว่ากินด้วยกามอยู่ตอนมันย้อนกลับมาถามเป็นคําถามพิเศษเฉพาะเรื่องของกามะต้อ อ, อะไรปราบโดยตรงครับอาจารย์ก็ต้องใช้ปัญญา ก, ก่อนจะใช้ปัญญาก็ต้องใช้สมาธิหยุดมันก่อนเข้าสมาธิหยุดความอยากในกามพอจากสมาธิมาเกิดความอยากในกามก็ใช้ปัญญา ถ้าอยากกินอาหารก็ให้ดูอาหารที่ไม่น่ากินนึกถึงตอนที่มันไม่น่ากินตอนที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องตอนที่มันถ่ายออกมาเห็นเป็นอสุภะใช่ไหมครับอาจาเห็นเป็นปฏิกูลเขาเรียกเห็นครับเป็นปฏิกูลถ้าเป็นเรื่องอาหารก็เห็นเป็นปฏิกูลถ้าเป็นเรื่องคนก็ต้องเห็นเป็นอสุภะเห็นอาการสาสิบสองของคนถ้าเห็นคนครบสามสิบสองอาการก็จะไม่หลงรักกัน จะไม่หลงใช่ไหมครับอาจารย์เอ่อตอนนี้หลงเห็นเพียงแต่ภายนอกเห็นแต่ผิวเห็นแต่ผมเห็นแต่เล็บเห็นแต่ฟันก็เลยหลงรักกันแต่ถ้ามองเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลําไส้ก็จะไม่รักกันตอนมีวาสนาเกิดความรักเป็นเรื่องกิเลสที่บางทีเราหนีไม่ได้เช่นเวลาเราเจอใครคนใดคนหนึ่งถึงเขาไม่รักเราเราก็หลงรักเขาเวลารักนั้น รักจริงร้องไห้ได้เป็นเดือนๆือนเพราะบางทีเวลาเรารักใครแล้วเวลาโดนทิ้งหรือว่าไม่ได้อยู่กันและเสียใจเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของของโกเลยนะครับเพราะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรทํามาสมบูรณ์แบบแต่เรื่องความรักเวลาโดนทิ้งเนี่ยที่อาจารย์เห็นตัวใหญ่ๆเนี่ร้องไห้สองสมเดือนนะคะโอเคอันนี้ขอขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะเวลาหมดนะ เดี๋ยวให้คนหนึ่งก็ถามสักข้อสองข้อครับอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณอาจารย์วันพรุนี้ถามต่อได้นะอยากจะถามมาใหม่พรุ่งนี้โอโมาอมามาเหมือนเดิวมวัทุกวันวันนี้โดนตำรวจจับกับรถเร็วเอาทางบ้านหรืทางไหนก็ได้สักข้อสองข้อเหลืออีกสามนาทีเอคําถามจากทางบ้านนะครับคุณภาสกร ทำไมเวลานั่งสมาธิบางครั้งเรานั่งได้นานถึงสองชั่วโมงโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยทั้งๆที่ส่วนใหญ่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ปวดแล้วครับซึ่งตามความเป็นจริงควรจะปวดมากกว่าเสียด้วยซ้ำอยู่ที่มันสงบแล้วไม่สงบไงถ้าจิตสงบแล้วจิตจะไม่ไปรับรู้ทางร่างกายร่างกายเจ็บใจก็ไม่มีปฏิกิริยามันเลยไม่ปวด แต่ถ้ามันยังไม่สงบเวลาร่างกายเจ็บใจมันจะมีปฏิกิริยามันจึงทําให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาคําถามต่อไปจากคุณสุปราณีถ้าเราทําบุญร่วมกับมารดาด้วยการจ่ายค่ากับข้าวเพียงอย่างเดียวแต่มารดาเราเป็นคนไปทําบุญแบบนี้เราจะได้บุญกับมารดาด้วยไหมคะได้ส่วนที่เราเสียสละนั่นนะ เสียสละเงินซื้อกับข้าวแล้วมันดาวกับข้าวไปทำบุญ yeah. เราก็ได้ถึงแม้เราไม่ได้ไปเองก็ตามคำถามต่อไปจากคุณก้อยหนูคิดถึงความตายทุกวันแต่จะต้องทำอย่างไรต่อไปครับก็ต้องปล่อยวางร่างกายอย่าไปทุกข์กับความตายเวลาร่างกายจะตายก็ทำใจเฉย ใจปัญญาสอนว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราเป็นใจผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายคาถามต่อไปจากคุณขวัญพระอริยบุคคลพระโสดาบันจะกินซาชิมิอาหารญี่ปุ่นที่เป็นปลาแซลมอนดิบได้ไหมคะเคยได้ยินมาว่าพระโสดาบันกินอาหารดิบไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้บวชก็ได้อยู่ เพราะว่าเป็นค า, า, ารวะนี้ไม่มีข้อห้าม เ, เพียงแต่ว่าพระโสดาบันจะไม่ไปฆ่าปลามากินเท่านั้นเองแต่จะกินปลาที่ตายแล้วได้ไม่คำถามต่อไปจากคุณชนิดาฟังพระเทศหลายๆรูปจาก YouTube กับการสวดมนต์ได้บุญเท่ากันไหมคะคือการสวดมนต์ตอนกลางคืนออกเสียงแล้วชอบหาากับน้ำตาไหลคะ่ะ กการสวดมนต์นี้ก็จะได้สติได้สมาธิก้าฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ปัญญายัางถ้าต้องการปัญญาต้องการความรู้ก็ต้องฟังธรรมเอาขอสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายจากคุณพุทธาภรเทวดาเทพหรือพรหมที่อยู่บนสวรรค์ไม่มีรูปประขันเหมือนมนุษย์อยากทราบว่าวันหนึ่งหนึ่งผ่านไปท่านทาอะไรบ้างอยู่เฉยเฉยลอยไปลอยมา หรือภาวนาหรืออะไรครับกล่าวคือเครื่องอยู่ของท่านเหล่านั้นคืออะไรครับคือความฝันเนี่ยฝันดีตอนที่เรานอนหลับกับตอนที่เราตายนี่เหมือนกันเพราะตอนนั้นเราไม่ใช้ร่างกายทาอะไรใจเราก็เลยใช้ความฝันมาหล่อเลี้ยงถ้าเราทำบุญเราก็จะฝันดีจะเป็นเทพเป็นพรหมไปถ้าเป็นพรหมก็ไม่ฝันนะถ้าเป็นพรหมนี้จิตจะสงบจิตจะเข้าฌานไป ซึ่งสงบซึ่งมีความสุขมากยิ่งกว่าขณะที่ฝันดีฝันดีมันยังยังมีหมดแต่มันยังมีเรื่องมีราวอยู่มันไม่ละเอียดเท่ากับความสงบความสงบนี่เป็นความสุขที่มากกว่าเหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวนี่เหมือนเรากําลังอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพอยู่พอเราไปนั่งสมาธิจิตสงบนิ่งสองชั่วโมงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนี เรียกว่านี่จะเป็นความเป็นอยู่ในระดับชั้นพรหมนะครับนี่คือจิตใจเวลาที่ไม่มีร่างกายจะอาศัยบุญหรืออาศัยสมาธินี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเอาแล้วนะวันนี้คิดว่าเวลาหมดพอดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร